ให้บรรานักปฏิบัติทั้งหลายทรงตั้งจิตตั้งใจที่จะเพ็เพียรีความดีให้ทั้งทงหลายทรงตั้งจิตมองเปดินใจของตัวเองจากที่เคยทุกฝึกมา กําหนดรู้รู้ก็คือสติของตัวเองว่าตัวเหล่านั้นกำลังทําอะไรอยู่ในขณะนี้บุ่นก็คือความว่างเปล่าปากก็คือความว้าวุนใ่ไม่งบายใจเราบังเอิญบางเป็นเพียงดวงวิญ แจะกำหนดรู้ปฏิจัยเมื่อเรารู้ปฏิจัยแล้วเราก็ากำหนดดึงลมหายใจเข้าไปปานกลางในขณะที่เราฟังเพียงเพียงละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเจ้าจิตของเราแล้ว พอนในใมาละเอียดมากขึ้นลองหายใจของเราแล้วมันไม่สะดวกมันไม่โปร่งมันไม่ลงมไม่สบายมันทำให้เราแล้ให้ยใจเข้าไม่เขา้าออกไม่ออก้าสั้ไม่เขา่ากันจะรู้สึกตื้นอับใจเจ็บนั่นป่วยนี่เราก็เคยชินอยู่แล้ว สภาพแบบนี้เดีจะเป็นแรงีจสงสัยคนระับอาการที่เกิดขึ้นเราก็สงสัยก า, าสงสัยต้องหมถึงว่าอีอสงสัยสงขยไข่เร่องใดเราเดี๋ยวมากจะแวะแวะความรู้สึกแวะย้ำความรู้สึก ความรู้สึกอะไรความรู้สึกของกายกรรมเรบอกแล้วว่าเป็นกายยักบุคคลเนี่ยจะต้องเป็นบุคคลที่หลุดพ้นจากกายการรมอะไรีบุคคลต้นเหตุก็จะหลุดพ้นจากวจีกรรมมโกนกรรมกายกรรมรัฐคนเรา ที่เวียนแวบที่ไม่หลุด้นเนี่ย้แวตอลดน้ำมัลดนีมตอกินเสียงโรคลดฝนกับพาเรียกว่านิวนที่ ห, ห้ายังยึดตตัวเอยวสสงยู่เสมอในขณะนี้ขอให้ท่านทั้งหลาย รู้ใจแล้วก็เข้าแใจตัวเงีงพอรู้แล้วก็มองเห็นใจตัวเองอยสว่างเมื่อนดวงจันทร์สว่างเหมือนดวงจังง น, น, นจแล้วก็เข้าไปในความรู้สึกของใจที่ว่างวางให้เป็นบริสุทธิ์เร า, าเดินไปเปิดใจเราบริสุทธิ์แล้วสว่างแล้ว ที่ที่ไม่ ว, วุ่นวายหเรากางใจตเองที่นี่ไม่ ว, วุวายที่ที่ไม่ ว, วุ่วายหเมื่อเราไม่มีฟานวายใจไม่แวะไม่วอแวไม่สงสัยหลังเละอาการที่เกิดขึ้น ในความรู้สึกทางตัวเราเองก็คือกายเราด้มันจะนั่นสนัหรืม่สนะปัญหาใจเข้าหรือไม่เข้าปกติหรือไม่ปกติอย่าเป็นสนใจั้เราสนใจอยู่ที่อีกเข้ามาอีกปิญญาก็คือที่เราทำให้มดแสงระหว่ากับใจนั่นแหกในใจเนี่ยคนปกติคารวาในเรื่องวัดใจ รปฏิบัติขา้นที่สอเรียกว่าจิตวิญญาณจิตวิญญาณของเราเนี่ยให้รับรู้รับรู้รู้ความรู้สึกในขณะนี้ตั้งใจความมันไม่มุวนวายเพื่อมันไม่ม้นมวนวายุกเราก็นต่อไปอีกนี้เข้ามาอีกนี่นี่ไปขัดข้องน้อง เราไม่ผัดข้องไม่ขุนเคืองใจบริสุทธิ์ใจยิ้มเอาไว้ทำใจให้ม่ากวางไว้วอาเรากำลังทำสมาธิอยู่ใส่ใจข้าทูกระยิ้มใส่ใจออกทงกรยิ้มเอาไว้ทำจิตใจของเราเดี่ไม่อ่อนโยนยิ้มก็่ตัวตัวนี้แต่ยิ้มไม่ใช่ว่ยิ้มจะเฉยไป ยิ้มไม่ใหญ่ใจนั่นเอตัวยิ้ ม, มก็คือตัวเมตตาตัวอ่อนโยเนเมื่อเรากระถูกคนอื่นเขยิ้มให้บางทีเรายังรู้สึกยิ้ใจรู้สึกสบายใจแ ต, ในนใต่ในขนาดนี้เรายิ้ให้กับตัวเองในขนาดนี้เรายิ้ให้กับตัวเองในใจของเราแล้รู้สึกพอสมควร ฝันใครก็เมื่อที่เคยหลุดจากการฝึกหลุดจากสติสติสตคือคิอความรู้ตัวเหมือนในขณะนี้พอรลกไปแล้วเนี่ยเราก็เกิดภาวะปกติปกติก็คือชินนั่นเองจินก็แปลว่าใจใจก็แปลว่าจินจินก็ชีวิตที่เราเคยบกมกบุนมุ่นวายอยู่ทุกท่ทุกวลา ไม่เคยมีสติรู้ตัวรู้ตนเหมือนขนาดนี้เราก็าเลยรู้สึกแปลสภาพเพราะว่าใจของเรานั้นมันชินกักิเลสคือรูกรกกินเสื่อโกรธัมขืก็คือชินจากตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองเลยออกเหนือยนังไงแเรานั้นมาประพฤตมาปิบัติหลายหนาตีแล้ว เราก็รู้สึกจิตจิงในงานอยู่ในองค์ภาวนานหมือนกันจริงอยู่ในการตั้งหกตั้งแพรก็คือสมาธิจิงต่อการสำรวจกายว่าใจาในถึงความว่าคือสิ่สมาธิเหมืนอนกัอะไรเหตุทําให้เกิดปัญญาก็คือสมาธิสมาธิก็คือการพิจารณากายม่กาย เปนแไงไหนจะเข้าเป็นสัตว์เดกั้นโดยการกนดมนเข้ายัางไรเราก็เข้าใจเสร็จแล้วก็มองเห็นมองเห็นกครมองเห็นใจแล้วก็มางเห็นตัวเองเราก็ลองนึกถึงว่าในขณะนี้เนีเรากลาลังนั่งตัวตรงอยู่โดยกามองเห็นตัวเอง ในขณะที่มองเห็นตัวเองเนเราจะรู้สึกว่ามีอาการเจ็บหรืออาการไม่สนับเรื่องการคันต้นคันนี้เพราะเราไม่เคยเห็นตัวเองพอไอ้จิตที่กํากำลังภาวนาอยู่เนี่ยไอ้ที่รออยู่เนี่ยจิตวิญญาณเนี่ยก็เริ่มจะมองตัวเองก็คือเห็นตัวเองทน่ไนส โ, โมด้วิธิ เท่งแล้วก็มองที่ที่ตัวเองเมื่อเห็นตัวเองเนี่ยนั่ในนขนเขียนเนี่ ย, ใ น, น ย, นยในตัวที่ไม่เห็นมันก็จะเกิดขึ้ น, นยก็คือตัวที่งรู้สึก อ, อะไรมนมันกอบหรือเราคตัต ง, ง, ง, ง, ง, งั้ยกยกมันก็จะมีอะไรที่มามากจัดใ้ตัวที่เห็น จะทำให้เราขาดคุามพอระาณนะ้าเราขาดคุมพมนณาไปกังว ที่นี่ไม่ขัดข้ อ, องหนูที่นี่ไม่ขัดข้องหนอนี่หนที่นี่ไม่ขุ่นเคื อ, องหนูที่นี้ไม่เป็นเคืองคาว่าไม่ขุขนเคืองก็หมายถึงว่าไม่มีอะไรมาขัดใดขัดกายแล้วก็ใจของเราจะว่างเปาไม่ขุนเคืองเมื่อมีความว่างเป่าในใจแล้ว เราก็มาพิจารณาเข้าสมาถทรวิปัสน า, าเนพิจารณาตัวอาิจังเป็นของไม่ที่ศุภิสทิมิยิดุยไอะไรคือสุขิสทิมิยิสุยไการที่ศุภิสท้จิงิก็คือคนนอนหลับเอาเบบพลอรลวาดเยลยลวาดนอนหลับเนี่ยเหมือนได้ทักเนี ตัวแท้ๆสิ่งของในปฏิบัตก็คือในขนาดนี้เราได้พักกายพักวัยใจพักใจพักทุกสิ่งทุกอย่างรักทุกสิ่งทุกอย่างความรั ก, ก, กความโกรธความหลงในใจของเราเนี่ยมันไม่มีอีกเลยโกรมันต้องไม่รู้ว่าจะเป็นโกรธอะไรขนาดนี้เกลียเราก็ต้องเกลียดตัวเองละในขนาดที่โกรธตัวเองเกลียดตัวเอง รักก็ต้องรักตัวเองเมื่อเรารักตัวเองเราก็ยิ้เไพยายามาตั้งสติสติปัญญาตัวอารมณ์ยิดความรักก็คือรักใ น, น, นใจของเาติปต่อกใจของเราเกียเราก็เกียราโอ้อารมณ์ใจที่เราคุณมืทุกวันนี้มันเป็นความคิดฝุงใจเท่านั้น มันเป็นความคือรู้สึกโทษ น, นะไม่ได้เป็นควาจริงเลยเมื่ออะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่เป็น ค, ความจริงก็ถือเป็นหอกนั่นเองหรือเราหลอกตัวเองอารมณ์ที่มันหลอกนะมันทําให้เราเรียรู้สึกว่าขุ่นเคืองใจไม่สบายใจตัดขอ้อใจเมื่อกี้เราก็บอกไปแล้วว่าที่นี่ไม่วุ่นวายเลย ความวุ่นวายของเราดูดังเกิดจากคว า, ามร้ความกดความหนุนการคุมแต่งทางนั้นระนั้นเมื่อเรามีการปรุงแต่งจนจชินชินต่อสภาวะองคิเล็กอย่างการโดยที่เราไม่รู้ตัวก็คืออ่างอาักเสบติเมืม่อเราขาดสติแล้วแล้วก็พั้งเอือไปเล่นลงไปไปพลุกพลีามาจน เป็นเพื่อนเลยไปเลยเามาทั้งวันเลยเรามาพูดทีแ c ่เรื่องสบาเรื่องขบวนเรือเช่การทำงานเนี่ยเราไม่เคยคิดถึงตัวเราเองเลยเราคิดแต่เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องครอบครัวเรื่องชีวิตาน บางทก็ร้องไห้ว่าบาง ท, กาทีก็คิดว่าสมมวังบางทีจะคิดว่าผิดหวงบางทีก็คิดว่าเรานั้นได้ได้เปรียบบางทีเราก็คิดว่าเราเสียเปรียบหมกมุ่นกับความผิดทางตรงเด่นทางข้องข้างก็ทําให้สภาพ องสถิตเราเสถิก็คือความรู้ตัวเนี่ยเหมือนในขณะนี้เนี่ยไม่มีเมื่อม่มีมันก็ขาดเมื่อขาดนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราทำการค้านี่ยขาดตัวโดยไม่รู้ตัวก็คือเจ๊งเลยในขณะนี้เราได้กำลังทำการค้าในความน i ้ความไรเราอย่าทังเถืออย่าเถือตัวเองก็คืออย่า กับเหลือองภานเมื่อเราเห็นแล้วเนี่ยองนสุดเคยึดไม่ได้ตกเคยยึดไม่ได้อะไรนอยที่ยึดได้ก็คือสติสติก็คือความรู้ตัวองเมื่อเรารู้ตัวรู้ตัวมิไต้จริงก็พิจารณาหรือว่าเข้าตัวอ่านิจจังอนิจจังก็หมายถึงว่าเป็นของไม่ที่ ร่างกายก็เกิดขึ้นทั้งอยู่ท้ายสุดก็ต้เสื่อมลลายตายไปอารมณ์ใจเพ่อเช่นเดียวกันอารมณ์ที่เกิดขึ้นลองมึกซึ่งว่าสื่อความจริงรึเราปรุงใจอารมณ์อะไรอะไรก็เกิดขึ้นโดยความคิดนึกปุงแต่งนั่นเองเมื่อเราปรุงแต่งนึกคิดสิ่งหนึงสิ่งใดเลย ขาดสมาธิขาดความเป็นตัวตัวเองอยูอ่แล้วในคนหลงหลงเชื่อเมือนคนไม่รู้ทางและวไปถามทางไปถามคนที่ไม่รู้ก็เหมือนนักปฏิบัติคนสอนไม่รู้ทางไม่เคยไปไม่เคยเห็นไม่เคยพบไม่เคยเจอของจริงเหมือนําเล่าว่าเห็นไหเมื่อเขาเล่าว่าเมื่อ เ, เ, เขาไม่เคยเห็นมาตลอดเนี่ย เราดำไปถามใอ้คนนี้เขาไอ้คนนี้ไม่รู้เลยเสียชีย้เลยชีย้นำว่าวัดเขาอิิสุกโตมันได้ข่าวว่ามาทางไปถึงหนองพับเลยหนองพับเข้าทางประจวบแล้ววนเข้าไปตามชายเขาปาดว่าสักสามกิโลอย่านานจบเลยในเราก็ อยากเข้ามายอยากเขามาเราไม่เคยมาก็ไปถ า, ามก็เลยเชื่ออีกคนนั้นอพอมาแล้วเลยมันไม่เติมก็เกิดความลังเลยสงสยัยว่าเราจะทํำยังไงเพื่อมาวัดทขาอิทธิศุภโตได้ก็เหมือนกับนักปฏิบัติเนี่ยเมื่อเราปฏิบัติแล้วไม่ได้เกิดขึ้นด้วยตัวตัวเอง เหล่ยเหรจริงนั่นเองก็หมายถึงว่าทุกคนเนี่ยต้องรู้จริงทุกตัวเองก็คือต้องรู้ใจของตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นคนอุปนิสัยเดิมเป็นยางไรเมื่อเราเรียนรู้ตัวรู้ตัวนแท้จริงเี่ทำไมเราต้องอยากรู้เรื่องของจริงเราทำไมไม่รู้อยาก รู้อารมณ์ตัวเองบมากองสมันหลวงพ่นอนาแปงมาท่านสอนสอนคระขเร่ป็นนายช่างการมาเรียนกสิณมาเรียนวิปัสนาไอ้พระอนอุเนี่ยเป็นพระอาจารย์สอนอาจารย์เรียนพระอนอุ่ก็สอนนี่ต้องเลยตรงี้เข่งกสิณหลอย่างมาก รูน้นิ่งเงียบสบายแต่ว่าทำไมไม่ได้ไม่ได้กระสิงงออง้งไม่ได้ใจมา่ิที่สอนยังไงก็ทําไม่ได้ก็ไปเรียนาพระพุทธเจ้าาอาัยงค์สมบัพระพุทธเจ้าในช่างตัดผมเนี่ยเราได้พยายามสอนพยายามทุกอย่างแล้วทาไมไม่คืบหน้าเกิด ค, ความเบื่อหน่าย องสมัยเขาบอกกันว่าอานนอานนทนีนนนรู้ทุกอย่างแต่อนนนไม่รู้จริตของนายช่างตัดผมนายช่างตัดผมนั้นเป็นคนเงีย้ยวยืดลังแต่หารู้ไม่ว่าเป็นคนในใจร้อนถูกะมวาดอาฆาตเป็นคนที่ถูกพยวาวารอาฆาตอย่างมาก แต่ดูกกายนอกเป็นี่เรียก่าดงอังคารในรอบเนยสงบเงียบนิ่แต่อานน์หารู้ไม่ว่าในท่านตัดผลเน่เป็นคนบันดาลโทสะเจริญเขาเนี่ยเป็นคนโกรธอย่งางมากมีควาโกรธพยาบาทอย่างรแนแรงูไหมอานน์ท่าอนน์ก็เลยได้สติวัคนเราหน่จงฝึกสมาธิเียต้องรูั้จเจอิญทุดตัวเอง ควารู้จารึกของคน น, นั้นก็เหมือนนักปฏิบัติอยู่ในขณะ น, นี้เราดูนิ่งดสูสงบเราทำไมเราถึงนั่งสมาธิจึงไม่เกิดอาการต่างๆเพราะ ค, ค, ค, ความอยากนั่นเองเมื่อเราอยากได้เห็นฌานเห็นญาณอยากได้สมาธิเราจะอยากไปทำไม อยากก็คือตัวกีเลสเราไม่รู้เลยว่าเรากำลังมีความโลภก็คือความอยากนั่นเองในการก็เป็นเตียนแต่เราไม่มีความพยายามหรือไหมถ้านอนก็เลยกลับมาให้ในช่างตัดผมเนี่ยเด็นกระสิ่นสีแดงก่อนที่จะเข้าไปประกปฏิบัตินิพัา น, นาก็คือ ใช้สีแดงสีแดงเลือดนกลิ่งในในช่านตาผมเลี่ยเพ่งพิจารณาสีแดงสีแดงก็หมาถึงความร้อนความโกรธความพยามากระรอกจะหน้าแดงตาแดงมคนร้องให้ออกมาเลือดแดงเล็ไหลออกมาเต็มเลยในช่างตาผมนี่ยก็เพ่ง แดงตัวดงสีแดงตัวเองก็ร้อนสีแดงก็ร้อนก็เกิดความร้อนมากขึ้นเหื่อยไหลตกความคอตาของจิตเกิดเบิกเกลือจิ้มเกือแล้วเนี่ยมันก็เกิดอารมณ์ภาพเกิดถึงตัวอ่ินอังเหมือหนึ่งหนึ่ลยในสถานนี้เราเห็นใครสว่างภาวนายิ้มคน ก็ให้ระวังในตัวขันยิ้มั้งตัวไม่สมนับจะไม่จะเกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วร่งางกายเราเปปกติตเมื่อเราเห็นตัวอันยิ้จังก็คือของเที้ยงก็เกิดแก่เหตุการณเมื่อเราพิจารณาเห็นตัวเองนี้เป็ น, นสซากศพมองเหล็นซากศพที่มันคนตายสี่ตายที่เราเห็นตัวเราในตำแหน่นี้ หนอนมันจ็ช่อนใยลูกตายึดยับยึดยับไหลเราเห็นผมเราโดนหลุดเป็นกระจุกกระจุเนเปนเลือดเลืลเลือดเลยเราเห็นตาของเราที่สวยสเนี่ยก็มีอนชอนใยเน่าไหลไปหูที่เคยสวยงามติดดอกติดมุกติดเพชรติดพลอยตลุดลุยเป็นว ปากที่เคยทาสวยงามเนี่ปันแวววิญญาณจอมชยเน่าไหลกะ ท, ที่โดโ ง, กงกแ ก, ก, ก, ก, ก, ก็เป็นรูโพงเน่น้ำเลือน้เืองเต็มไหลเือยัดากเหมือนจั่ง่เอเราเห็นความเน่าเฟื่อยความเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยหีไม่พ้นจเราจะต้องถูกเน่าเหม็น กระดูกเนี่ย a ูกนอนซ้อนใจเนื้อไม่กินหมดตับไตไตพุงกินเน่าเหม็นเหมือนกับซากหมาซากพื่าแบที่เราเห็นตอนที่มนตายเน่าพิจณาตรงนี้เนี่ยหลวงพ่อเคยพิจนาาตัวเองกพดไปต่งต่างในหัวนุ่มหนพูดแบบหมดมันะอิดเียย เมื่อเราพิจารณาความเป็นธรรมิจฉ์เนี่ยเราเห็นเราวงโอโอโร่างกายของเรานั้นประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟธาตุดินก็นคือกระดูกเราก็มีกระดูกที่เป็นรัศมนา ก, กระโหลกศีสษกระดูกบ่ากระดูกหน้าอกกระดูกหลังลงไปมันเป็นธาตุดิน เมื่อธาตุดินเกิดขึ้นก็มีก้ามเนื้อมีเอ็นเล้เป็นใหญ่แล้วที่เกี่ยวรัดมัดผูกกันมาเป็นเอ็ น, นเป็นขาเป็นลักษณะตัวตนที่เราเห็นเ็ที่เราเห็นมันคือม่ น, นเป็นตัวผูกของคู่ท้ายสุดเม้ามเนื้อเอ็นใน ม, มันก็รู้สึกเสื่อมก็คือแขนน า, าเี่ยวแล้วพ็พิจารณาอย่างนี้กับไกลับมา ให้สุดก็เหลือท่าอาวในห่อขนมที่เหลือเราใช้ชีวิตทั้งวันทั้คืนเหลือแต่ท่าห่อขนมเคืนเดียมในสัปเหร่อว่ากขอบขอบรวมว่าคิดเท่าหนึ่งสี่ิเท่ามีขนมห่อใส่ท่าขาวในชีวิตเราอย่างช่นี้ทั้งชีวิตจะได้เรดคิดถึงนี้ในวันเราก็จะเหินตัวหัน้กัน เราก็จะรู้สึกสดกูใจเบิกบานใจรู้สึกว่าโอ้โ อ, โอ๋อคงก็ะยดในงานสุดกระยุในงานแม้กระทั่งตัวเราอยู่ในก็ะยุในงาพิจารณากายในกายตลอดเวลาเรียกว่าสมถะเมื่อพิจารณาแล้วก็มีวิปัสสนาเข้าสู่วิปัสสนา เมื่อควาสูงวิปัฒนาเราเห็นตัวฐาจจี้เป็นของไม่พิสจน์เกิดขึ้นดำอยู่ี้เป็นของสมมุติดินน้ำลงไปประกอบด้วยกระดูกน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำเหลื อ, น, ล น, ล อ, น, ลอน้ำตาประกอบไปด้วยเลือดเนื้อเอน็นกระดูกล้วก็พิจารณาแล้วครับธาตุลมก็หมายถึงว่าเราเป็นธาตุของอารม ลมที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยมีทั้งอากาศที่ดีกับ อ, อากาศที่เสียก็คือออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกซิเจนเมื่อเราด ห, หายใจทั้งดีและดีเข้าก็ต้องกบไม่ดีออกเป็นมลพิษเหลือแต่ดีก็คือผิษกระถูกตัวกระดิ่งของวกติ พร่างกายเรานี่ได้รับของดีมันก็เปฟอกเลือดให้เยิมสอานไอ้ของไม่ดีไปฟอกตรงไหนเพราอกในตัวเราก็คือเลือดดำไอ้เลือดดาในตัวเราเนี่ยก็คือสัตว์ต่างๆที่เรากินวาไาืสรตอกโซโคตงดหมดเลัแม่น้ำเนี่ยมันพกเป็นน้ำงาเลยเมื่อน้เงาเดี๋ยวกหม็น กินพุ่งสร้างไปหมดก็คือกินตัวเรานี่แหละเมื่อเรามีกินตัวเนี่ยไม่รู้ว่าสักว์ต่างก็จะมีอยู่ในป่าเนี่ยกินปลากินกุ้งกินหอยกินปกินหมูกินวัวกินควายกินชาบพืชชาบสัตว์กินได้ไม่หมดเลยพอเรากลับกินไปแล้วเนี่ย อาหารมันก็ไปวอยู่ที่เลือเลือดรเลือดก็คือตัวเราเขาเรียกว่าเลือดดำนเลือดดำนี่มันเป็นเส้นเลือดใหญ่เขาเรียกเสนเลือดเมเลยือนไปฟ้าแรงสูงในขนาดีมันอยู่ในตัวเรานี่องเรือมันควบคุมหมดเรียกว่าถ้าเกิดใครมีอุบัติเหตุเเส้นเลือดดำคือเส้นเลือดใหญ่ขาดเนี่ย ต่างเลือดภายในเลือดหมดตกตายได้หมดเลือ a ดำก็คือเลือดที่มันเป็นเหมือนกับแม่น้ำที่มันเล้าอยู่กปอกัโดยผู้ต่างๆอาหารเก่าอาหารใหม่อาหารเามรู้สึกว่ามันเาโบอู่ใ้องเราเนี่ยเชื้อโรคมีจุลรีย์ใเป็นหนึ่งเป็นน้นทั้งดีต่อร่างกายแล้วก็ ทั้งคำพ่อตัวร่างกายเหนะ็นไหมเราไม่เคยพิจา ร, รณาตัวเองมาก่อนไม่เคยเข้าสู่สมาะหลวงพ่อพยายามจะเข้าสมะวิปัญนาเราเป็นาริยบคุคคลเนี่ยบนตีพจก์ช้านะ้อพวกเราพอพวกเราช้าเนะ่หลวงพ่อก็พยายามดึงขึ้นไปให้ไหวไม่ได้ปวดจ่บผ้า ตัวมันจะเข้าไปไเรียกว่าเดินไปแค่เห็นวัดถุติจะเร่ได้เข้าไปในวัดถุติเื่อเห็นแล้ววัตถุติอยู่ตรงนี้เต่ามาได้เหมือนกันแต่ไม่พบหลวงพ่อได้จริงจะตั้งใจที่จะมอพบหลวงพ่อเห็นไหมก็เหมือนกับสมาธิที่เราปฏิบัติจะได้เต่า เ, เป็นอริยะบุคคลเป็นอริยสูงอริยเจ้า มันจะต้องผ่านเป็นเทวดาจิตต้องเป็นเทวดาเป็นพรโดยไม่เห็นจเรามาปฏิบัติเก็เ ข, ข้าลึกไปลึกไปจิตเป็นเทวดาจิตเป็นมนุษย์สมบัติมนมนมตต ก, ก, ต ก, กมนน า, เาเป็นมนุษย์สมบัติครบเราก็รู้จักจิตถูกช่วยเหลือลดหนักสำนึกก็คือเึื้อในสิ่งที่มีในขณะนี้ในความเป็นมนุษย์สมบัติมารักษา แล้วก็ติดเป็นเทพเลยเลย้พก็มีอำนาจติดเรียบ ม, มีสมาธิมีอำนาจมีพลังต่อสู้ได้อำนาจสามารถควบคุมโจรร้ายก็คือควบคุมสติได้คนที่มาปฏิบัติก็มีสติรู้โจวมากขึ้นรู้เหตุรู้ผลรู้ปัไจัยมากขึ้นแสร็จแล้วก็เป็นเทพแล้วก็มาเป็นเทวดา เ, เทวดาเดี่นึกทุกข์ด้ฟัง เทวดาเนี่ยเขาไม่้องมากินเลยเขานึกอยากจะทานอะไรเนี่ยตอนนึกปุกเนี่ยมันต็เป็นเหมือนกับเราได้ทานได้กินเลยไม่เจ็บจนเทวดาเพราะนั้นปฏิบัตินเนีอนาจะหนได้พอเรานั่งสมาธิเจิจนเทวดาปุบนึกถึงว่าพาทีได้กินเลยได้กินว่าที่เขาแกงสซหวานตอนที่เรานั่ง เราได้กินว่าไปทอดปลาเค็มเนียข้นมุน่แล้วพอตอนจมาพลิกไปแป๊บเนี่ยไม่ได้หลือที่นี่หน่อยแ๊บเดียเอ้าเราลืมเมื่อตอนนั่งเลยทำไมเขาทำปลาเค็มทอดแกงเขียวหวาน้หนียวเลี่ยเนื่ยบางทีเรานึกถึงหน้าเพื่อนหน้าคนนั้นโทมาเดี๋ยวนั่งเลยเนี่ตอนติด็นหวดาแต่ลพไม่อยากจะสอนเพราะว่าเดี๋ยวเขาไปยึดติดใช เป็นมน ja. ุษย์สมบัติเทวเทวเทพสมบัติแต่ที่เปนเทพเนี่ยยังไม่ต้องบอกจิตเป็นมนุษย์สมบัติเทวดาสมบัตินะพรมสมบัติเมื่อเราเป็นเทวดาแล้วก็เป็นพรมพรมก็หมายถึงว่าควบคุมร่างกายควบคุมจิตเมื่อคลี่ควบคุมถึงแล้วก็ความเป็นเมตตาคารุณาผมมีิหารจิงเกิดขึ้นในจิตได้แําไเพี้กนมาเกิดในสันดานนะ เมื่อเราเกิดเป็นพรมิหารสีเสิก็เข้าพ้นหลุดพ้นเลยเป็นอริยบุคคลอริยบุคคลนในมันรู้จักตัวตมาติการเิจารณากายในกาย mm. เมื่อเห็นร่างกายเห็นอารมณที่เกิดขึ้นรู้เท่าทันก็คือเข้าสู่วิปัสสนาวิปัสสนาก็คือปัญญาล้วนๆมันจะต้องโง่ก่อนฉลาด แต่กว่าจะตลาดเนีเราต้องคลำหาตัวเองอย่างมากพยายามลุกนิลุกลนพยายามตามติดสอยห้อยตามพยายามรู้ว่าโอ้ธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟมีนมันคืออะไรบ้างธาตุดินก็คือกะดฑ์ธาตุน้ำก็คือน้ำเลือดน้ำเหลือถ้าตุไฟก็ทำให้ร่างกายของเราอบอุ่นร้อนเกลือกหมุนเวียม การลมก็หมายถึงว่าอากาศลมทั้งอากาศอากาศที่เราหายใจเข้าออกเข้าออกอยน่เครื่องยนต์มันทงานอยู่ตลอดเราก็ทางน้ำเครื่องยนต์เขาก็เติมน้ำเขาก็ถ่ายน้ำระเหยออกไปเราก็เทออกมรถ ย, ยนต์ก็ต้องถ่ายน้ำมันเครื่องเราก็ต้องถ่ายหนักถ่ายเบาออกบนสัตว์อย่างเี้ย ตั้งรนต์รถยนต์มันก็มีรวมงมีั้งก็มีปอดด้วยนมีปอดมีอะไรอื่นธรรมนุสใ่อเราก็เช่นเดียวกันเรารู้จักอารมหายใจเข้าออกในขนานี้ยยเลยพอย้มไปแล้วเราว่าพิจารณากายไายีสม เมื่อเรามทาทำใจคนก็ควบคู่ของวิปัสสนาแล้วก็พยายามไล่ร้องพวกเราพยายามย้อนไปย้ยอนมาให้พวเราได้มีความเข้าใจแต่ต้องระวังว่าในขณะที่เราลา่เนี่ยระหว่ังขาดของภาวนามันจะเกิดความรู้สึกเบาสบายก็จริงช่วงบนแต่ร่างกายเราเนี่ยจะรู้สึกฟั่นเฟือเพราะเราขื้นไป ยึดเจ็บรือปวดยกบันนวดคันนี่ยึดยึดยึดยึดพอเราเผอองค์ภาวนาบางเกาบางขยับบ้างเนีไอตัวพุทษาจะเกิดนะเพราะเราเขลอใจเนี่ยดีตรงที่หลวงพ่อเป็นหัวงก็คือตรงนี้ตังต์บาลามีก็คือความปวดอะไรมันจะตายอะไรมันจะปวดอะไรมันจะเจ็บมันอยากไปยึดติดเราก็บอกแล้วว่าที่นี้ไม่วุ่นวายหอย ทั้งกายและใจเราไม่วุ่นวายเมื่อเราไม่วุ่นวายแล้วเนี่ยความโง่มันจะ อ, อกงามเราก็ไม่ได้เพราะเรามีสติรู้ตัวเมื่อเรามีสติรู้ปุ๊บเนี่ยพอเราตัวรู้ในตัวโง่เข้ามาเนี่ยมันก็จะผลักไปผลัดมาเหมือกับเรามีอารมณ์รักก็มีอารมณ์ชัง อยู่ในตัวตนของเรเอนีันแก้มาทุกอย่างเพราะเราชิ้งเราเฝึกคนมาก่อนองค์สัมมาธรรมวชิรเจ้าท่าบอกว่าเป็นสัตว์ที่ฝึกมันดีแล้วเหมือนกับเราเลยมีการฝึกมีการปฏิบัติมาดีแล้วไม่เหมือนกับสัตว์ที่ไม่เคยฝึกสัตว์ที่ไม่เคยฝึกเลย มันทำยังไงมันก็ไม่เป็นไม่ได้เลยความต้องการที่เราต้องการให้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่ว่าเป็นคนเป็นสัตว์ก็จะต้องถูกฝึกเนะี่ยเรี่องของวัฒนธรรมที่เขาทําตามกันมาต่อๆกันม า, มาบา้านเราก็เช่นเดียวกันครับถูกฝึกจากพ่อแม่เขาฝึกเนะี่ยโตได้ต่งงางไปเรียนก็ถูกอาจารย์ครู้ฝึกเนะี่ย แต่คนที่ฝ oh, oh, ึกของตัวเราเลยเราต้องวางให้คนอื่นมาฝึกเราแต่เนี่ยเรามีสติรู้ตัวเราตัวนี้ตัวเองฝึกตัวของเราเองมันมันยากเลยมันขรึมากเขาบอกว่าฝึกคนเดียว i t าฝึกก็ยากงว่าดูแลตัวเองี่ยมัูแลา เราไปหาคนมาดูแลตัวก็คือหัเวเงียเนี่ยก็ไปน้ำยารู้คนอื่นจะให้คนมารู้ถึงตัวเราเลยมันก็รู้ยากเขาเรียกว่ า, วามไม่รู้ใจตัวเราเนี่ยยังไม่รู้ใจตัวเองเราจะให้คนอื่นเขามารู้ใจเราเลยมันก็ยากมันไม่มีใครรู้เราเท่ากับตัวเรารู้เหมือนคำาันเฟยว่าพอหกคนตีนได้ แต่โกหกตัวเองเราไม่ได้เราจะต้องรู้ว่าเราพูดจริงหรือว่าพูดไม่จริงในขณะนี้เรากาลังฝึกของจริงเมื่อเราฝึกของจริงตัณฑ์วิปัสสนาเราอยู่สาภาวะควะามดุดข้นของกายกรรมวิจิกรรมมโนกรรมรู้เข้าทางเหตุทุกขโมงทางหรือลมมันมันก็จะเข้ามาทุกเราวมารู้จักเสียที่เป็นทุกข ระบบใทนิรนต์มากก็จะตามตามตามจะไม่ต่อไม่ข้ามขนาดนันเดี๋ยวก็จะเกิดความว่าง ว, วุ่นวุ่นวายใจมากขึ้นบางคนก็เริ่มจะเผลอมองเห็นตัวเอยิ้มเขวี้ยิ้มเขวี้ยรนั่นคือความว่างเปล่ามองเห็นเัวเองกำลังนั่งเห็นว่าโอ๋เนาะเกิดขึ้นทั้งหมดประสบภย ร่างกายเราก็เหมือนการมณงที่แรากิดยตลอดเวลาเราเกิดจากการเวลาค่ะระหว่างพ่อแม่เราได้เศษกันเมื่อเศกันเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นตัวเป็นตนเป็นเทาความเรืร่องวิธีทำกิจกรรมไล่ไปมนไปเดินมาอฏิปัญญาเขากไปเดยนมาดักไปดักมาออกเห็นตัวอนิชจัเขาเน่ร่างกายเราว่าเป็นของเรา เราลองข้ามมันว่าไม่ปวดเนอะไม่ปวดเนาะมันแค่ปวดอยู่เท่านั้นไม่เหมื่อยเนอะไม่เมื่อยเนาะมันแค่เมื่อยเท่านั้ถ้าเราไม่ตักงใจทิ้งการเลยทิ้งความรู้สึกมัจับที่ใจว่าผูไม่ได้ปวดที่ใจผูไม่ได้เมื่อยที่ใจผมรู้สึกสบายใจก็ฝืนฝืนใจเพราะนับปฏิบัติมาหลายๆวันเนี่ย คนที่มีพื้นฐานการปฏิบัติเนี่ยในขณะที่ฝังกายเต็มที่เนี่ยร่างกายก็จะท่องอยู่ด้าแต่คนที่ไม่เคยมาปฏิบัติดำๆแล้วเพิ่งจะมาปฏิบัติพอร่างกายตามมาฝัอองกายตามปกติจะรู้สึกเพียนแล้วก็เหนื่อยมากนั่งไปนั่งไฟเหมือนกับเราเบื่อเบื่อก็คือจิตมันปวดกลวงเล เมื่อจิตมันสดขูเดียมันทาให้เราเดียเบื่อวางเฉยยินดีให้ไม่ยินดีดูสุขมันก็ไม่สุขดูทุกข์มันก็ไม่ทุกข์มันเฉยเฉมันเป็นอูเบคขวางเเมื่อจิตมันถึงขั้นอุเบกขาเนี่ยนักปฏิบัติมันขึนไปไม่ได้ร่างกายเราก็รู้สึกกล้ามเนื้อบอลใบจิใจก็สดู่ รู้สึกอย่ากหลับตาอยู่เงีเงียบไม่สบายพอเราเงียบสบายจริงๆเข้าเหมือนกับเมื่อก่อนที่เราอยากปิดให้จิตมันสงบอยางอยากให้จิตเราหรืออยากให้สงบนั่งได้นานอยากให้นิ่งอยากไม่รีบร้อนมันมีจุดๆเลยเหมือนกับคุณโยมหลายๆท่านในขณะนีมันรู้สึกเฉยเหมือนสมายทิพในกลางา แต่พอพุทธเจ้าท่านบอกว่าคุณเด็กหาวันมันเฉยเราก็ให้รู้ว่ามันเฉยตอนถามใจไปเลยว่ามึงเฉยจริงน n มึงเฉยไปเลยมึงนิ่งมึงเงียบไปเยอย่ายัเย้าใครมาหาให้มึงมึงอย่าคิดฟุ้งซ่านมึงอย่าอยากได้อะไรมึงเฉยอยู่อย่างนี้ได้มต้องฟุตตานความสงบเมื่อมึงสงบกายสงบใจเนี่ย มึงให้สมบอนู่แบบนี้นะตาทุกข์ฟอยมึนสงบอยู่แบบนี้มึงหยาดอามึงไปฟังการนัดคุยกับตัวเองในกาไอกินเนทที่มันกำลังงงหัวไม่ขึ้นมันรู้สุดจะท้อท่าควยพอเราพูดอย่างนั้นพบกรู้สึกเราเนอยเราหนาเาลอมู้โหความว่าผลลน้ทองิดติเกิดขึ้นเนี่ยเพาะเราใช้ันญ ปัญญาฐานในกิเลสก็คือกิเลสที่ทำกายเนี่ยมันเงียบน่อนมันเพียงพอเปนุ่มนอนก็จริงมัน้องุ่มมันก็ไม่หลับเลยลาอยางกินอะไรก็ิกินแล้วก็เื่อพอนั่งนานไปไหนถ้ารู้สึกเบื่อเบือพรจิตมันเงียบสงบว่าเราไม่เคยสงบความคุ้นชังในอารมณ์ก็เกิดขึ้นล มหรือว่าเราบาจที่ไม่มีบุญไม่มีบัตรหรว่าเราอาจจะบุญน้อยปฏิบัติไม่ได้เงินเท่าอาวันเกิดความโกรใจเข้าใจรู้สึกโกของตาโดยที่เราไม่รู้ตัวเท่าที่เราปราลังนได้ใความขันติเราเองตัวเรามีความเียบสงบเข้มข้นนักถานอย่างหล่อถามใจว่าอ๋อตอนนี้มึงไม่ขุนเทียนแล้วเนา ตอนนี้มึงไม่วุ่นวายใช่ i หมมึงดับไปเลยนะดับก็หถึงว่ามึงเลิกคิดเลิกทำไปเลยดับไม่มีเชือขงบว่าสที่ดับมีเชือยคือพ่ดับดับก็มว่ารมเนี่ยไม่รับรู้ไม่เไม่วุ่นวาย เป็น อ, อ, อ, อรียสุอาเรเจ้าพระปัจเจกในตัวเจ้าพระอรหันต์ตาเจ้านี่รู้แต่ว่าไม่พูดเฉยยิ้มีเมตารู้แล้วว่าจะต้องดำรงชีวิตเกิดขันยัง ไ, ได้กินลสเป็นดับลงแล้วเนี่ยแม้เรายังมีชีวิตอยู่เราต้องดำรงชีวิตต่อไปฉนั้นดเราดำรงดำรงชีวิตเนือเราจะทาให้เหมือนกับ เรารู้ว่าเราเป็นพระอรหันต์เราจะบอกคนอื่นว่าเราเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยเขาก็จะเจ้าทั้งสองเช้ารงท่าออกเดินนาการลงท่าแสดงนิพเดชเพื่อเพื่อให้เห็นว่าสองเดนเป็นอนิจจดวงวิสุทธิ์ิสูงเีชสองที่ยังไม่ปฏิบัติสองที่ยังไม่เหมืนเด จะเกิดการแยกเนีไปศรัทธาพระพราหังทั้งหมดสองที่มาเป็นเพียงอยู่แต่พบแต่รชาติเพ่จะได้บุตรตกันเอถ้าเกิดจะได้กดนี่มีคนเหยียบยาำดูถูกว่าทำไมไม่เก่งอย่างงนั้นองม์นีเหมือันจิมันเนนพระองไหนดังไหนเก่งไปเฮฮาไปนนะไปแล้วต้องไม่เด็กไปไปสำเร็จเด็กไปสาเร็จ ในการให้ไอ้ทรัพย์สินแก้วแหวนไปพองกับพระผู้นั้นแต่เราไม่รู้ว่าสําเร็จหรือไม่สาเร็จงนั้นถ้าเกิดเรามีความสําผัสรู้ดึกเราเห็นพระไปทำวิญญาณอยู่จาการกพระคือปฏิบัติดีเมื่อเรามีจิตใจที่ดีเนี่ยเราเห็นทุกเงื่อเกิดการติดติเราเห็นทุกเราจะรู้สึกมันมีสีมีสัญญาณหรือกค่เอฟเจงกับเอ ถ้าเขาเก็บเจบเราเอะเงยังไม่มีทางเลย่ต้าใ้ไม่เข้าถึงถึงความรู้สึกที่แท้จริงเพราะเราไม่เคยตั้ทต้ปฏิบัติได้ความเป็นอันหรือหน้บุคคลเราไม่พ้นจากเปรนกระแสใจสัตวเดรัจาเราก็เจอสัต์เจอสัตว์มืนก็จะรู้ว่างเอใครู้ทวพวกใครพวกเหมือนชนิดไหนชนิดหนถ้ามือนข้มาลุชอบลืมาก็จะไปอยู่กลุ่มชอบลืมา คนที่ชอบกินก็จะไปอยู่ที่กลุ่มที่ชอบกินทุกอย่างคนที่ชอบพูดก็ต้อาไปอยู่ในกลุ่มที่พูดคุยเงีเที่ยวกลางๆอย่างนี้มันแยกกลุ่มแยกจริตกันเองจริตก็คือปุปปันสันเตอห์เราไม่รู้อุปปินสันเร์เราเราเปิดปุ๊เราตัดตอนปันพอจินตสต่างๆห้เยาขัดคืนพยายามยืดหยุ่ทำลายล้างสิ่งที่เรา มาก่แล้วก็ตัดกเมื่อตัดต่อก็ตายเวทนาทางกายก็เกิดขึ้นเวทนาทางจิตที่เราทำาว่าวสวกายเวทนาเมื่อเราเห็นกายเวทนาเราก็พิจานณาตัวเป็นจิตใจนั่นคือธรรมะถัดันน้านต้องวนไปวนมาั้งิงงนานเมื่อเราวนไปวน ผมเหมือนเราทำงานเน่ยทางมาไปครั้งเดียวเราอาจจะทำผิดทาถูกได้แต่ถ้าเราทำบ่อยๆไปบ่อยๆก็คือปฏิบัติบ่อยๆพิจารณาที่ให้ด้วยเหตุเี่อปัจจัยด้วยสติเชื่อปัญญาบ่อยๆเลยทำจนชำนาญอินนาคือชินนั่นเองชินเนี่ยปักชินก็แต่ว่าฌานอาจินแตว่า อยากแปลว่าอยากรู้จิตจะแปลว่าฌานฌายก็คือหมายถึงว่าเข้าถึงเมื่อเราเข้าถึงเข้าสัมผัสได้เอาจิตมันก็เกิดขึ้นเลยเหมือนเอาลมที่มุขพ่อเขา้าทุกทุกทุกทุกกทุกวมรวมกำลังจิตรวมลวมสมาธิไว้ในทุกความสุข เวลาใครถามอะไรหลวง่อจะมีสัญญาตอบคุกพักคุกคตอบเลยเมื่องยิ้สิถาเขียนถาปัดใก็จะตอบเอาได้แต่กรรมหงเว้นตอบตรงเลเราก็จะม่ต้องแผ่บอกเรามีคนหยุดเป็นัญญาไม่ต้องเกียวกับกรรมลวงอกเลยไค่ต้องไม่ต้องปัญญาวันนี้หูพ่อจะให้เราเนเราไม่มีเสียงหลวงพอทัก ลองสองทีเราลองพิจารณาด้วย้าลองช่วยเหลือตัวเองเมื่อเราลองช่เหลือตัวเองเนี่ยทักษนาทีเรามองยิ้มมองตัวเองยิมงเย็นเองพิจารณาความตายมรณะรู้ติเห็นแล้วรู้เท่าพันอีงามเราเกิดความคิดคุ้แต่งบ้านหรือยง ต่ก็แบบไม่เห็นตัวอย่าอะไรนั่นยลยก็เลยทำหิดเป็นาการที่มีข้อข้อมสีเ่นความเสียชัดตนดีมากคือม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 คางคนสู้ได้บ้านสู้ไม่ได้บ้างก็พยายามอดทนบคนคนก็พยายามตัดเสื่อ ม, ค ม, มเนนครื่องบ น, นรู้สึกง า, น, ก น, ากนหนักวันนี้สบายใจบางคนงานนักใส่รูปขนผอมบองคนรู้สิกเหนือนยใจลอยใจหอบง่ายมนมีตามสถาวะของใจในแต่ละคนแต่ละคนถ้าทุกข์ขอให้หมานามีเสยที่ไหนก้เิด การเราไเรี ย, ยนในทางนเรแล้วก็เป็นตัวนคนที่โชคดีที่ได้มาทมาปั่รมกมงปฏิบัติมีข้อใหญ่แตสองข้างไปแต่ก็มันก็ไปไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าเราไม่ทาไม่ได้เราจ้งต้องไปด้ยเราจะไปคนเดียวคนที่ไปไม่ได้แบบที่นันไม่ได้ตีตีไปไม่สุดส ข, ของหลวงพ่อเพราะั้นคนที่ปฏิบัติ ไปได้ถ so ้าให้ปฏิบัติต่อล้ววนเดน้